เไงอาจารย์สบายดีเลยสบายดีครับ อ, อันนี้มีอะไรมาบอกปเป็นเน้ยอหมอยากจะถามานอาจารย์ว่าอ้สังโยชน์สิบนี่นะครับเวลาเราจะพิจารณาละคือตอนนี้ก็ต้องสัญญอเบื้องต่ำก่อนเบื้องกลางอะไรยังไปไม่ได้ก็พิจารณาขันใช่ไหก็พิจารณาร่างกายกับเวทนาเนี่ยนขะันนี่แหละ ก็ขันห้าแล้วไอ้อันอันกลางอันสูงก็ก็ใช้เหมือนกันนั่นแหละแต่เราไปวิถีเพื่ออาจจะทำไปแบบทำไปแบบเตรียมเตรียมการไปก่อนก็ได้แต่ก็แ้วก็ใช้หลักการเดียวกันตามกันตรงที่สังโยชน์มันไม่เหมือนกันนะสังโยชน์ของ ของขั้นที่สองที่สามนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของการมราคะคือความกำหนัดยินดีในการอารมณ์ในการเสพเพศสัมพันธ์การมราคะนี้แปลว่าความกำหนัดยินดีกับการเสพร่างกายของผู้อื่นนั้นเราก็ต้องพิจารณา ให้เห็นว่าร่างกายของผู้นี้ไม่น่าเสพคือเราหลงไปเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องดูส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายที่มีอยู่แต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องเห็นด้วยตาปัญญาไม่ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆ อ, อยู่บ่อยๆ อาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังผิวเนื้อผิวหนังเ่เราเห็นแต่อาการห้าประการเห็นผมขนเล็บฟันหนังแต่อีกยี่สิบเจ็ดอาการนี้เราไม่เห็นซึ่งเป็นอาการที่ไม่น่าดูถ้าเราเห็นอีกยี่สิบเจ็อาการหรือไม่ถึงยี่สิบเจ็ดอีกสัก4ี่ห้าอาการนี้มันก็ทำให้เรา คลายความกำหนัดยินดีได้ถ้าเรามองเข้าไปใต้ผิวหนังใต้เนื้อที่หุ้มหอ่อก็จะเห็นโครงกระดูกนี่มีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างไ้ยโครงกระดูกนี่น่าดูไหมแล้ ว, วอวัยวะใหญ่ๆเช่นปอดหัวใจดอก ไยลำไส้ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่แล้วก็สิ่งที่บรรจุอยู่ในลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาให้เห็นอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเราเห็นร่างกายของคนใหญ่เพียงเห็นแต่ข้างนอก หเห็นเข้าไปข้างในส่วนข้างในด้วยถ้าเราเห็นส่วนข้างในมันก็จะทำให้เร า, าคลายความกำหนัดยินดีในร่างกายได้อันนี้ก็ก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งการบ้า น, ข, นข้อหนึ่งที่เราต้องมาหมั่นเจริญแล้วเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ดูใช่ว่ า, าหยุดมันได้เปล่า เมื่อวันก่อนมีญาติโยมคนหนึ่งมาบอกว่าตอนนี้เขาหยุดการมารมได้แล้วอันนี้ก็ไม่รู้หยุดได้นานหรือไม่นานเพราะว่ามันต้องดูไปเรื่อยๆเหมือนก็หยุดดูเหล่เนี่ยบางคนว่หยุดได้อต่ดูจะจะหยุดได้สักนานสัเท่าไหร่หยุดได้จริงหรือเปล่าถ้าหยุดได้จริงมันต้องเห็นโทษเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวของสิ่งที่เราไปรักไปชอบ เช่นเห็นร่างกายนอกจากเห็นร่าการสามสิบสองเห็นเป็นซากศพด้วยต้องเห็นว่าเวลามันเป็นซากศพนี่มันน่าดูน่ารักไหมเวลาเขาไม่หายใจแล้วเรายังจะอยู่กับเขาหรือเปล่าถ้าตอนนี้เราอยู่กับเขาพอเขาไม่หายใจแล้วนี่เราจะเก็บไว้ที่บ้านต่อไปหรือเปล่ายังจะนอนกับเขาอยู่หรือเปล่า ต้าคิดคิดถึงสภาพต่างๆของร่างกายที่ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าชื่นชมนี่เราไม่ค่อยไม่ค่อยพิจารากันไม่ค่อยนึกถึงสภาพที่ไม่น่าดูน่าชื่นชมของร่างกายเรามักจะไปพิจารณาดูแต่สภาพที่น่าชื่นชมน่าน่ายินดี ก็เลยเกิดความรักไข้เกิดการอารมณ์เกิดการความกำหนัดยินดีในร่างกายของผู้อื่นแล้วก็เสพสัมผัสกับร่างกายนั้นเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็ติดเป็นเหมือนยาเสพติดไปเหมือนติดสุราเมือนติดบุรีติดกาแฟทำนองเดียวกัน แต่วัตถุที่ติดต่างกันบางคนติดกาแฟบางคนติดบุหรี่บางคนติดสุราบางคนติดละครบางคนติดเที่ยวบางคนติดซื้อของบางคนติดแฟนติดเที่ยวชอบติดแฟนชอบมีแฟนแล้วบางคนก็ชอบเปลี่ยนแฟนด้วยไม่ใช่ติดคนเดียวติดได้ชั่วคราวเดน๋ยวเบื่อก็เปลี่ยน แต่ถ้าพิจารณาอสุภะสภาพอันไม่น่าดูของร่างกายมันก็จะคลายความหลงความหลงเนี่ยทำให้เราเห็นร่างกายว่าน่ารักน่ากาหนัดยินดีแต่ถ้าเรามองความเป็นจริงของร่างกายแล้วมันไม่น่ากาหนัดยินดีก็ไม่ปฏิเสธ ไ, ไอส่วนที่มันน่ากาหนัดยินดีก็มี เวลาเขาแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวหืีผ้าหวีผมทำอะไรต่างๆเชรอโชวความงามมันก็ดูน่าน้าดูแต่มันก็มีส่วนที่ไม่น่าดูอยู่ที่เราจะมองในมุมไหนถ้าเรามองในมุมที่น่าดูก็เกิดความกำหนัดยินดีเกิ ด, ดความติดติดพันขึ้นมา ล้วถ้าไม่ได้เสพก็เกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาที่อยู่แล้วอยู่คนเดียวแล้วเหงาว่าวเวมันก็เกิดจากความอยากที่จะมีมีเพื่อนอยู่ด้วยเพื่อนครองเพื่อนนอนเพื่อนอะไรทำนองนี้แต่ถ้ารู้ว่าเพื่อนที่เราอยากจะให้มานอนกับเรานี้มีอาการสามสิบสองเราก็บอกว่าไม่เอาดีกว่า เราก็มีของเราอยู่แล้วสามสิบสองของเราก็มองไม่เห็นของเขาก็มองไม่เห็นของเราเองเราก็ไม่เคยมองเห็นใช่ไหมเวลาดูหน้าตาที่กระจกก็เห็นแต่ผิวหนังที่คุมกระโหลกศีรษะแต่ไม่เคยเห็นกระโหลกศีรษะของตอนเองยิ้มให้กระโหลกศีรษะแยกเคี้ยวให้กระโหลกศีรษะ <laughs> ม, มองไม่เห็นกัน อันนี้ก็ต้องมองมองร่างกายอี ก, อ, ก, อ, ก, อ, กอีกมุมมองนึงมองต่างมุมที่เ็าเรียกมองต่างมุมมุมที่พระเจ้าสอนในมองนี้จะทำให้เราคลายความผูกพันคลายความยึดติดในร่างกายอันนี้เป็นเรื่องของการมราคะอันนี้เป็นสัมโยน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่สี่มันมากับข้อที่ห้ามันเป็นคู่กันพอเกิดการมราคะมันก็เกิดความหมดเหียด เวลาอยากจะเสพกามเนี่มันก็หงุดหงิดมันก็เราต้องเสพพอเสพแล้วก็หายหงุดหงดแต่ไม่ใช่วิธีแก้เพราะเดี๋ยวมันหะเดี๋ยวมันกลับมาใหม่วิธีที่จะแก้ก็คืออยากไปเสพมันหยุดเสพเวลามันอยากจะเสพก็ไม่เสพพิจารณาดูอสุภะอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่อยากจะเสพพอไม่อยากจะเสพความหงมุดหงิดก็จะไม่มีมันก็จะหมดไปด้วยกันพร้อมกัน ไอสองตัวนี้มันโผลมาเป็นพวงเนี่ยไอสามตัวแรกมันก็โผลมาเป็นพวงเหมือนกะันสักกายะทิฏฐิวิจิกิจชา้าศีลปัตตาภะมาเนี่ยมันก็มาเป็นพวงเราเราแก้ตัวเดียวก็เราก็จะแก้ได้ทั้งทั้งพวงเราไปแก้ที่สักกายะทิฏฐิอันนี้ก็มุมมองร่างกายอีกมุมมองหนึ่งไปมองว่าเป็นตัวเราของเรา ไปมองว่ามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บไม่ตายก็เลยทุกข์ขึ้นมาไปมองว่าเป็นตัวเราพอมันจะกลายเป็นสับเปละของสับเปลอะไปมันก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่อยากให้มันไปยังรักร่างกายอยู่ยังโหงร่างกายอยู่คิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราคิดว่าความเจ็บเป็นเราเราเป็นความเจ็บ อันนี้เราต้องมาพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นตุกตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ผลิตให้เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นดวงวิญญาณที่ตอนนั้นไม่มีร่างกายแต่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นนสดก็เลยต้องหาร่างกายเป็นเครื่องมือ พอพ่อแม่ผลิตร่างกายขึ้นมาเราก็เลยไปเกาะติดเลยส่งกระแสจิตของเราไปยึดในครอบครองออกระแสจิตเรานี่ก็เหมือนกับเป็นกระแสโทรศัพท์มือถือเนี่ ย, เ, ยเวลาเราจะโทรติดต่อกับใครแล้วก็ส่งกระแสวิทยุโทรศัพท์นี้ไปหาเครื่องที่เราต้องการจะติดต่อด้วยใช่ไหมพอไปถึงเครื่องเขาเขารับสายเขาก็ตอบกลับมา เราก็ตอบกลับไปอันนี้ก็เหมือนกันพอเราส่งกระแสจิตของเราห้าตัวห้าสายเนี่ยไปเกาะที่ร่างกายไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยร่างกายมันก็ส่งภาพส่งเสียงส่งกลิ่นส่งรสกลับมาให้เราเซฟแล้วเราก็ส่งคําสั่งไปว่าให้ไปดูภาพนี้ไปดูภาพนั้นไปหาเสียงนั้นไปหาเสียงนี้ก็มีการติดต่อกันเหมือนกับ โทรศัพท์สองเครื่องติดต่อกันนี่คือสถานภาพของร่างกายกับเราที่เราต้องมาแยกแยะให้ออกให้เห็นว่านี่มันไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งเราเป็นโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องคนละเครื่องกันแต่เราติดต่อกันได้สั่งงานได้อย่างคนโทรไปสั่งลูกนอก้องให้เดี๋ยวมึงไปทานู่นทานี่ให้หน่อยนะ นอกมันก็ไปทำให้เราทำเสร็จมันก็รายงานกลับมาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สั่งมันทำอย่า ง, งอื่นต่อไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมันมันตายเราก็ต้องขาดการติดต่อกับมันไปแต่ถ้าเราไปหลงคิดว่าเราเป็นมันเราก็เลยจะทุกข์กันมา อ๋อถ้าเป็นอะไรเป็นของเราโดยนิสัยของเราก็คือเราจะรักจะหวงจะไม่ยอมเสียเหมือยิ่งของที่ใช้ได้ใช้เป็นประโยชน์กับเราเราก็ไม่อยากจะเสียประโยชน์นั่นไปเพราะเวลาเสียประโยชน์แล้วมันทําให้เราทุกข์พอเราเสียร่างกายไปไม่ต้องเสียร่างกายเสียบางส่วนไปก่อนก็ได้เสียวัยวะเช่นเสียตาไปพอตาใช้ไม่ได้นี่ทุกข์ไม่ทุกข์ เห็นอะไรก็ไม่เห็นล่ะจะไปไหนมาไหนจะทำอะไรก็ลําบากนะเราก็ไม่อยากจะเสียตาไม่อยากจะเสียหูไปหาหมอตากันไปหาหมอหูไปมีปัญหาอะไรส่วนใดของร่างกายก็ต้องไปรักษามันเพื่อให้มันทาหน้าที่ที่เราให้มันทาให้มันแสวงหาประโยชน์สุขให้กับเราแล้วเราก็เกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราว่าไอ้ไอร่างกายนี้มันเป็นเพียง ตุกตาตัวหนึ่งที่มันรับใช้ใเราเราเป็นเจ้านายมันเราเป็นคนสั่งมันเราเป็นคนรับรู้สิ่งต่างๆที่มันไปไปไปไปดูไปฟังนั่นมันส่งมาให้เราอีกทีนึงนี่คือการแยกการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวเราเพียงแต่ว่าเราไปไปครอบครองมันด้วยกระแสจิต ของเราไปเกาะติดไว้กับมันล้วก็ใช้มันทำงานทำการทต่างหาความสุขให้กับเราแล้วเราก็ลืมไปว่ามันร่างกายนี้มันเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของที่จะต้องมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปในที่สุดเราเวลานมันเจริญเราดีใจกันเราชอบกันตอนเป็นเด็กๆนี่โอ้ยิ่งโตเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ยิ่งได้เที่ยวยิ่งได้ทำอะไรตามที่เราต้องการตอนเป็นเด็กๆนี่เห็นไหมพอคลานได้ก็หัดคลานลเพอยืนได้ก็หัดยืนละพอดินได้ก็เดินลวเพราะว่าจะได้เอาร่างกายนี้ไปทำอะไรต่างๆ ต, ต, ตามความอยากของเราที่เราก็ช่วงแรกๆเราก็รักร่างกายหลงไหลกับร่างกายก็มีแต่สุขีมีแต่ทำให้เราได้สมหวัง อยากจะเดินก็ได้เดินอยากจะวิ่งก็ได้วิ่งอยากจะทำอะไรก็ทำได้แต่พอมันเข้าสู่ไวชัชรามันเริ่มทำไม่ไหวนะมันเริ่มชักจะเหนื่อยนละเรยวแรงมันชักจะหมดแนละ้วทำอะไรที่ก็โอ้ยหอบนี้ก็เริ่มเกิดความทุกข์กับมันแิแล้วเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอาการเจ็บปวดต่างๆเราก็ไม่ชอบมัน เราชอบแต่อาการสบายของร่างกายพอาอาการไม่สบายเกิดขึ้นมาเราก็ทุกข์กับมันเพราะเราอยากให้มันสบายไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเลยทำให้เราทุกข์ความทุกข์นี้เกิดจากการที่เราไปอยากอยากให้มันไม่เจ็บเวลามันเจ็บอยากให้มันหายอยากให้มันไม่เจ็บ เวลามันไม่เจ็บก็อยากให้มันไม่เจ็บเพียงแต่คิดถึงว่ามันจะเจ็บก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเพียงแคิดว่าต่อไปต้องเป็นโลกนั้นต้องเป็นโลกนี้แล้วมันก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วความไม่สบายใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหาหรือการมาตัณหาก็ได้มันก็มีส่วนผสมกัน ความอยากในรูปเสียงกลิ่น้วก็ทําให้เราอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมเราจะได้ใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสกั น, กนไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันพอเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทําไม่ได้มันก็ทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอยากให้หายแต่มันไม่หายแล้วตายก็เหมือนกันไม่อยากให้ตายเพราะตายแล้วไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เรา อยู่กับใกล้กับคนที่เรารักได้อยู่กับสมบัติที่เราหามาได้อยู่กับความสุขต่างๆที่เราหามาได้ความทุกข์นี่ก็เกิดจากความอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไา้ได้ป่วยนี่ก็เป็นเวทนาทุกขเวทนาเป็นนามขันร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟเป็นรูปประขันเราไม่นามขันมีสี่ มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ตัวที่สำคัญก็คือตัวนี้ตัวเวทนามันมาด้วยการเป็นทีมค่าตัวใดตัวหนึ่งก็ฆ่าทั้งหมดมันปางเป็นพวงเหมือนกันถ้าเราพิจารณาเวทนาเราปล่อยวางเวทนาได้เราก็จะปล่อยสัญญ า, ส, ญญาสังขารวิญญาณไปพร้อมๆกันถ้ายึดก็ยึดพร้อมๆกันมันทำงานไปเป็นทีมสัญญาก็จะคิดว่าเป็น เป็นเป็นตัวเราของเราสังขารก็ปรุงแต่งว่าให้มันหายอย่าให้มันเจ็บมันว พ, พออะไรเป็นของเราเราก็ไม่อยากให้มันเจ็บนี่เราต้องมาแก้สัญญาสังขารด้วยการพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาร่างกายเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราเวทนามันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยน ม, มันมีสามชนิด มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาวันๆหนึ่งนี่เราอยู่กับไอ้เวทนาสามตัวเนี่ยแต่พอเราเจอตัวทุกข์ทีไรเรามักจะหนีมันหรือพยายามจะกําจัดมันแต่ตัวสุขนี่เราไม่ไม่กําจัดมันปล่อยให้มันอยู่ไปนานๆตัวไม่สุขไม่ทุกข์ก็แล้วแต่บางทีก็กําจัดมันไม่สุขไม่ทุกข์บางทีก็เบื่อก็หาสุขมาทําให้มันสุขนไปนั่ง ดูทีวีหรือไปทำอะไรขึ้นมามันก็สุขขึ้นมาไปดื่มกาแฟหรือทำอะไรมันก็ทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาทีนี้มันมันเป็นเรื่องที่บางทีเราไปทำไม่ได้สิเวลามันทุกข์เวลามันเจ็บไา้ได้ป่วยก็ทำได้ก็ต้องกินยาแก้ปวดไปยาแก้ปวดตรงทีกินแล้วมันก็ หายชั่วข่าวก็ต้องกินกินบ่อยๆก็ติดก็ทำให้เกิดโรคติดยาขึ้นหม่เป็นปัญหาขึ้นหมหอีนั้นมันก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกที่เราแก้กันทุกวันนี้การแก้ที่ถูกก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันมาแล้วก็ไปของมันเราสามารถอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไร เพียงแต่ทำใจให้เฉยๆอย่าไปรังเกียดมันอย่าไปต้องการที่จะกาจัดมันเท่านั้นเองถ้าเราปล่อยวางได้คือปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่กับมันได้อย่างสบายทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะเราจะไม่เกิดความอยากที่จะกาจัดความความเจ็บของร่างกายมันเจ็บก็รู้มันเจ็บไปเดี๋ยวมันก็หาย ไม่หายก็ตายไม่หายก็อยู่กับมันไปจนมันตายแต่ใจไม่ได้ตายใจไม่ได้เป็นอะไรใจไม่ได้เป็นร่างกายนี่คือวิธีแก้ปัญหาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาด้วยให้การเห็นว่ามันเป็นอนิจจงอนัตตาร่่งกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเวทนาก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อนันตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้น่างกายก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ตอนนี้เราไปคิดว่าเราควบคุมบังคับมันได้ห็นไเราคิดว่านางกายนี้เราสั่งมันทําอะไรได้หมดแต่ตอนนี้อยากจะให้มันเดินจะให้มันวิ่งให้มันกินให้มันทําอะไรมันก็ทําได้หมดแต่มันจะต้องมีวันที่สั่งแล้วมันไม่ทํามันทําไม่ไหวตอนนั้นก็จะทุกข์ถ้าอยากให้มันทํำก็ไม่ได้ทําตามใจอยาก แต่ถ้ายอมรับความจริงว่าทาไม่ได้ก็อยู่เฉยๆบ้างมานั่งสมาธิแทนมาพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบแทนก็ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้ารานั่งสมาธิได้ใช้เราก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้เวลาทำสมาธิใจเป็นกลางเป็นอุบเบกขานี้จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกาย จะอยู่กับมันได้อย่างสบายถึงต้องมีสมาธิถึงจะสามารถปฏิบัติใช้ปัญญาปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาได้พอปล่อยได้ก็จะเห็นอริยสัจสี่ว่าอ๋อความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่เจ็บเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีปัญญาเราพิจารณาเห็นว่ามันต้องเจ็บมันต้องตาย เราก็ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายพอเรายอมเราก็ไม่ได้เราก็หยุดความอยากให้มันไม่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราระความอยากไม่เจ็บไม่ตายได้ความทุกข์ใจก็หายไปเราก็จะเห็นการทํางานของอริยสัจสภายในใจเราสมบูรณ์ทั้ง4ี่ข้อความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่พอเรามีปัญญา ได้จากพระพุทธเจ้ามีสมาธิที่พระเจ้าสอนให้ทาพเรามีสมาธิมีปัญญาสมาธิเราทำใจให้เป็นกลางให้อยู่เฉยๆได้ปัญญาก็สอนว่าอย่าไปทำอะไรกับร่างกายกับเวทนาปล่อยมันมันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเป็นดินน้าลมไฟมันจะตกก็ฝนจะตกก็ให้มันตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไป แ้วเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราไปอยากให้ฝนตกมันไม่ตกเราก็จะวุ่นวายแย่าง ไ, ไปแห่นางแมวกันเนี่ยเพอยากให้ฝนตกเวลาตกมากๆก็โบนอีกท่วมอยากให้หยุดอีกมันก็ไม่หยุดอีกก็ต้องไปทําแก้มดินกันเพื่อเพื่อไม่ให้มันท่วมเนี่ยปัญหาอยู่ที่ไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหา ไปแก้ที่ดินน้ําลมไฟแทนที่จะมาแก้ที่ใจเพราะตัวที่เป็นปัญหาก็คือใจความอยากต่างๆพอมาแก้ใจหยุดความอยากต่างๆปล่อยให้ดินน้ําลมไฟเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็อยู่กับเขาได้จำนายก่อนน้าําท่วมก็เขาสร้างบ้านสูงๆเงินด้วยเนี่ยเขาอยู่ริมคลองกันก็ไม่เห็นท่วมเลยบ้านเขาใช้ยกพื้นสูงอ่ะ เสาสูงเวลาน้าท่วมมันก็ไม่ไปรบกวนคะรับเขาปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องปรับใจให้อยู่กับธรรมชาติให้อยู่กับความตายให้อยู่กับความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายพอเราปรับได้แล้วมันก็สบายดีโรดคือการดับของทุกข์ก็เกิดขึ้นมาดับด้วยด้วยด้วยปัญญาด้วยสมาธิเนี้ สมาธิก็คือใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขาก็จะเฉยกับความเป็นความตายของร่างกายได้ความเจ็บของร่างกายได้เพราะรู้ว่าทําอะไรไม่ได้ร่างกายมันเป็นอนัตตาเวทนามันเป็นอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้เหมือนเสียงตุ๊กแกเมื่อกี้ไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้ก็ปล่อยมันร้องไปเดี๋ยวมันก็หยุดเอง ถ้าไปอยากให้มันหยุดมันไม่หยุดนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องหาวิธีไปตีหัวมนันนองไปจับมนันเองแล้วจับไม่ได้ก็เหนื่อยอนี่ยนี่ก็อะไรเดี๋ยวให้จบก่อนพอร่าสักกายทิฏฐิดได้ก็จะเห็นอริยสัจสี่ก็เห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยที่ให้เห็นให้เห็นอริยสัจสี่ว่าอริยสัจสี่นี่เป็นกฎธรรมชาติที่ที่ทําให้เราทุกข์แล้วไม่ทุกข์ ถ้าเราเข้าใจกฎอริยาศาสตร์สีแล้วปฏิบัติตามกฎอริยาศาสตร์สี่ได้เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งอะไต่อไปเมื่อเราไม่ทุกข์เราก็ไม่ต้องไปทําพิธีแก้ทุกข์กันเนี่ยศีลพะระตปาลามะ ก, ก็คือทําพิธีกรรมแก้ทุกข์กันทั้งนั้นอ่ะค้าขายไม่ดีก็ไปทําพิธีกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปทําพิธีกรรมเอมีเจ้ากรรมนายเวมีมเรื่องมีราวกับคน น, นคั่นคนนี้ก็ไปทําพิธีสะเดาะเคราะห์กันเอ ความทุกข์ทั้งหลายนี่มันเกิดจากความอยากของเราที่จะไม่อยากจะเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เหตุการณ์ที่เรียกว่าอันนี้จังมันไม่เที่ยงเจริญแล้วพอไปเจอความเสื่อมก็ไม่อยากจะเจอเสื่อมราบเสื่อมยศเสือส่อมสรรเสริญเสือเส่อมสุขนี่เองที่เราไปทําพิธีกรรมกันเพื่อจะให้มันจเจริญอย่างเดียวแต่ถ้าคนมีปัญญาก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยง มันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมก็จะละศีละพัฒนะได้เวลาอะไรเสื่อมก็ทำใจรับกับมันไปเวลาเสื่อมลาบก็ทำใจเสื่อมยศก็ทำใจเดี๋ยวอาจารย์ก็กเกษียนละถ้าทำใจได้ก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องไปทำสะเดาะเคาะสะเดาะเคาะก็ก็ไม่ก็ต้องก็ต้องเกษียณอยู่ดีใช่ไหม คน auto, ท sy, mm on ี่เห็นอริยสัจสีแล้วก็จะรู้แล้ววิธีแก้ปัญหาความไม่สบายใจต่างๆมาแก้ตรงที่การละความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราเท่านั้นเองว่าเราไม่สามารถที่ไปสั่งให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปก็จะละสามข้อนี้ได้ก็จะเครื่องเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรต่างๆว่า ถ้าเกิดมีเคาะอะไรก็ถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมไปแล้วไปทำไม่ดีมามันก็เลยต้องรับเคาะไปติดคุกติดตารางก็เพราะไปทำผิดกฎหมายบางทีไม่ยอมรับว่าตอนนี้ไปทำผิดกฎหมายที่ทำให้ติดคุกไปโทษนู่นโทษนีนะ่แล้วก็ไปเชื่อหมอดูว่าให้ไปทำบุญทำอะไรกันเพื่อจ ะ, จะได้สะเดาะเคาะได้มันมันเป็นมันสะเดาะไม่ได้หรอก แล้วก็ความทุกข์มันก็เกิดที่ความอยากของเราเองถ้าอยากไม่ติดคุกมันก็จะทุกข์เวลาต้องติดคุกก็ถ้าถ้าอยากติดคุกมันก็ไม่ไม่ทุกข์ใช่ไหมเวลาเวลาจะติดคุกก็เวลาจะติดคุก ก, ก, ก็ก็ยอม ก, ก็อยากติดก็แล้วกันถ้าอยากติดแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เพนะาเห็นอริยสัจ ส, สี่ อนุญาตศีใครเป็นคนสอนพระพุทธเจ้าเนะถ้าคำสอนเป็นของจริงแลวคนสอนไม่จริงมีมีที่ไหนมันก็ต้องมีคนสอนพระพุทธเจ้าก็มีจริงไม่ต้องไปอินเดียไปหาดูไปพิสูจน์ไม่ต้องไปสังเวชนาะสังเวชนะีสชนยสถานสี่เพื่อจะได้เห็นว่ามีพระพุทธเจ้าจริงเห็นด้วยการปฏิบัติเนี่เห็นได้อย่างมั่นใจมากกว่าไปที่อินเดีย ไปที่อินเดียก็ไม่เห็นอะไรเเห็นแต่สถานที่แล้วก็ไม่แน่ว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าเป็นสถานที่จริงหรือเปล่าเพราะมันผ่านมาตั้ง 2,500 กว่าปีแนละ้วก็เชื่อกันมาว่ากันไปแต่ถ้าเห็นด้วยการปฏิบัติแล้วจะไม่สงสัยในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์เพราะผู้ที่เห็นก็คือพระสงฆ์ไม่ใช่เลยผู้ที่เห็นธรรมเห็นนิเห็นอริยสัจสี่ก็คือพระโสดาบันไม่ใช่ พระโสดาบันก็คือพระ อ, อริยสงฆ์ขั้นที่หนึ่ง ก, ก็จะไม่สงสัยในพระพุพทธธรรมพระสงฆ์จะไม่ไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆจะทำแต่บุญละบาปไปอย่างเดียวเพราะรู้ว่าตัวที่เป็นเหตุให้เราจเจริญรู้เสื่อมทุกข์รู้สุข ก, ก็คือการทำบุญหรือทำบาปนี่หรือการทาความอยากต่างๆก็ละความอยากไป ทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบอยสุดพระสวสดิ์มันยังไม่บยสุดเต็มร้อยชำระได้เพียงสามยังเหลือต้องเจ็ดก็ทำต่อไปพระสวัดมันก็จะรู้ว่าต่อไปปัญหาของตนเองอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ยังไปรักคนอื่นอยู่ยังไปรักไปชอบคนอื่นอยู่พอรักแล้วถ้าเขาไม่รักเราก็เสียใจ เวลาอยู่คนเดียวก็เหงาก็เลยต้องพิจารณาหาวิธีทำให้เราไม่รักเพื่อเราจะได้ไม่อยากได้เขาแล้วเราจะได้ไม่เหงาก็ต้องพิจารณาสุภาษไปพิจารณาร่างกายที่เราชอบที่เรารักให้เห็นจนกระทั่งเราไม่รักไม่ชอบในร่างกายนั้นไปก็ต้องดูเอาไ ว, วะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ร่างกายนั้นภายใต้ผิวหนัง ถ้าผิวหนังนี่มันใสเหมือนทุพพสติกนี่คงยังไม่มีใครรักใครชอบกันนะนะเมื่อกี้จะถามอะไรพูดเลยคือผมสงสัยว่าสัยชน์ข้อสุดท้ายนี่ะครับคือมันในวิชาที น, นี้มันเวลาเรียนศาสตร์ศีนก็เริ่มจากความไม่อยู่แล้ว็มไมมันถึงไปอยู่ข้อสุดแล้ว ั น, น, น, น, นปฏิบตับติไปลแล้วปฏิบัติไปแล้วแล้วมันก็จะรู้เองเพราะว่ามันก็ยังมีความหลงอยู่เป็นขั้นขั้นอยู่เนี่ยพระโซดาบันก็กำจัดคมหลงขั้นที่หนึ่งไปคือขั้นละสามตัวนี้ก็เป็นเกิดจากความหลงการมาราคะก็เกิดจากความหลง การที่ไปหลงเห็นว่าร่างกายของคนอื่นสวยน่ารักพอไปขั้นที่สามขั้นที่พ่างขั้นขั้นขั้นที่ขั้นที่สี่ 4. มันก็ไปหลงกับไปหลงกับจิตแล้วสิไปหลงกับไปรักจิตแล้วว่าจิตเป็นที่ให้ความสึกจิตเป็นที่ให้สมาธิกับเราให้รูปประชานให้รูปประชานาก็ไปหลงรักรูปประชานรูปประชาน ก็แสดงว่าย right. ังไม่เห็นอริยสัจสี่ในขั้นนั้นยังมีความอยากเหยื่อยากในรูปประฌานอยากในอรูปประฌานยังไม่เห็นว่ารูปประฌานอรูปประฌานนี้มันไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราพิจารณาไปเช่นเดียวกับมานะก็เป็นความถือตัวก็เป็นความหลงอีกอันอะไรคือตัวก็คือตัวคิดตัวรู้นี่ ไปลวว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราอวาจริงมันก็เป็นแค่ตัวรู้พอไปคิดว่าเป็นตัวตนขึ้นมามันก็ทำให้เกิดความถือตัวขึ้นมามถือว่าตนเองใหญ่กว่าเขาบ้างเท่าขเขาบ้างต่ำกว่าเขาบ้างก็เกิดความอยากถ้าต่ำกว่าเขาก็อยากจะสูงก็อยากจะทำตัวให้สูงกว่าเขาอ ะ, อะไรทำนองนี้มันก็ยังทำให้เกิดความอยาก อ, อยู่ แสดงว่าอาวิชชาือยังไม่เห็นความอยากเหล่านี้อยู่ในใจส่วนอุทธาจากก็คือความอยากอยากจะบรรลุก็เลยพยายามหาวิธีค้นคว้าด้วยปัญญาไปค้นไปคนมาค้นกระทั่งเกินเลยเถิดคนไม่ถูกที่ค้นไปแล้วแทนที่จิตจะสงบกลับฟุ้งซ่าน ก็ต้องมาแก้ตัวนี้ต้องทำจิตให้สงบพอจิตสงบ ก, ก็ไปติดกับความสงบ ก, ก็ต้องแก้ตัวความสงบนี่คือไม่ติดกับความสงบไม่ติดกับการปรุงแต่งค้นหาอะไรเดี๋ยวมันก็เข้าใจว่ามันต้องใช้หลักอริยาาสัตสี่เท่านั้นว่ามันเป็นตัวที่เป็นตัวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทิศต่างๆได้ก็คนดูตอนนี้มีความอยากกับอะไรหรือเปล่า อยากกับรูกประชานก็ตัดมันไปอยากกับูกประชาญก็อยากก็ตัดมันไปอยากกับตัวตนก็ตัดมันไปพอมันตัดหมดอวิชามันก็หมดไปพร้อมๆกันเนมันก็มาเป็นกลุ่มเหมือนอ่าก็เป็นกลุ่มเป็นพวงเป็นตัวหลงตัวสุดท้ายตัวหลงหลงหลงกับสิ่งที่มีอยู่ในจิตเหมือนกับเราหลงร่างกาย นี่ร่างกายเราไม่หลงแล้วเราก็ไปหลงกับจิตของเราในจิตเราแล้วนั้นก็มีรูปประชานะรูปประชานมีอัตตาตัวตนอยู่ก็ลองไปไปหลงกับมันไปหลงกับปัญญาคิดว่ามีปัญญาเราจะจะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลงนี้ได้ แต่ถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นมันก็มันก็มันก็แก้ไม่ได้อันนี้ต้องไปปฏิบัติดูถึงจะรู้เวลาท่านอาจารย์สอนนะพอทาอาจารย์สอนเช่นคนที่มีคถามทางบ้านท่านก็จะบอกว่ามันก็ว่าเัลามมีความทุกข์จริงที่มันมันกระทบใจเรา เราถึงจะรู้บางทีเนี่ยเหมือ น, นเราไปเราฟังกับท่านตอนที่เรายังไม่มีความทุกข์เราก็<ม>คิดว่าเราเข้อ<ม>ืจแต่พวลามันความทุกข์มันมากระทบเราอยู่จริงเนี่ยอืมเราจะต้องตั้งท่าสู้กับมันอืมตามที่ท่านสอนอืมเพราแสดงว่าข้อที่หนึ่งคืให้ฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆเพื่อให้ติดสมุน<ม>ข้อที่สองให้มันให้ควรอื<ม>ที่ท่านอาจารย์สอนเรื่องไตรลักษณ์ให้ ทุกอย่างมันเราอยากเป็นสุขขังนิจจังตตาแต่ความจริงธรรมชาติของโลกมันเป็นทุกข์ขังอนิจจังอนัตตาให้ให้ควรบ่อยๆเออให้ให้ให้สอนใจคือท่านใช้คำว่าให้สอนใจแปลว่าให้กลับไปพิ่เจตนาบ่อยๆของโลกด้านมาจริงๆแล้วมันมันมันมันเป็นอนิจจังไม่ใช่มันไม่ใช่นิจจ์หรอมให้ให้ทําอย่างนี้ แล้วเวลามันมากระทบเนี่ยเขื ok. ่อนตรงเนี้ยท่านอาจารย์เวลามันมากระทบทุกข์ถ้าทุกข์ก็สแสดงว่ายังไม่ปล่อยถ้าไม่ทุกข์ก็สแสดงว่าปล่อยเราพิจารณาเพื่อให้ปล่อยเพื่อไม่ให้ทุกข์คือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าไม่ได้เรียนอะไรเลยไม่ฟ่อธทําเลย ok. เก็ไม่ยอมปล่อยมันไมันไม่รู้ด้วยซ้ําแบบว่าปล่อยกับไม่ปล่อยคืออะไร ok. แต่พอมาฟังท่านปล่อยแต่ปล่อยช้าหน่อย คือฐานนี้มันจะเร็วปุ๊บอะมันอาจจะสองอาทิตย์อ่าบางทีก็ทบติดก็ทุบไปสองอาทิตย์แต่ว่ามันนั่งค่อยๆวนว่าแต่มันก็มาชิดนะครับว่าเอาแล้วมันทุบเพราะอะไรอก็กลับไปพิจารณาอ่คือมันยังทีก็เอาตามความจริงคือมันยังปล่อยนะก็ไปคิดว่าเอ้าพวกคุณไปติดบางอย่างอยู่อ่ะคุณอยากในตัวนั้นอยู่อ่ะใช่ถ้ามันคุณปล่อยอยากตรงนี้ด้านมันก็จะคลายลงอ่มันต้องมันต้องทำค่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันต้องมีเหตุการณ์จริงอ่ะ อตอนนี้เราคุยกันตอนนี้เป็นทฤษฎีตอนนี้เราเราคุยเรื่องทุกข์แต่ใจเราไม่ทุกข์เราก็เลยยังแต่มีเรื่องทุกข์ครับพอมีเรื่องทุกข์ผมก็ต้องอก็พิจารณาอาจารย์สอนมาอภัยช้าอภัยช้าคือท่านก็บอกก็พูดโธรไปก่อนอมวันนี้ตอนพูดโธรพอตอนมันมีเรื่องเนี่ยมันยังไม่มันยังพูดโทไม่ไหวอ่ะซึ่งมันจะคิดวันนี้พอมันฟุ้งแต่เราจะรู้ตัวว่า ไม่ได้และเดี๋ยวคือไม่แค่มันต้องให้จิตสงบเน้นอยู่สักพักหนึ่งก่อนอแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปหาว่าเอ๊ะมันถูกเพราะอะไรเนี่ยอแล้วก็เอาตามที่ท่านสอนเนี่ยมาใช้ว่าเอ๊ทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงนะเราไปยึดมันอย่างนี้ไม่ได้หรอกอ ม, มันแค่แค่นี้ใช่ไหมครับท่านนะ่ะนั่นแหละจนกว่าเราจะปล่อยมันได้ไงยอมรับความจริ ง, งสุดมันก็จะปล่อยอปล่อยเร็วกว่าเดิ ม, มแต่ว่าไม่ได้ปล่อยทันทีพแต่ถ้าคนปฏิบัติถูกเขาก็ ปล่อทันทีเลยถ้าเขาปฏิบัติตลอดเวลาเขาก็คอยคอยปล่อยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาคอยปล่อยอยู่ตลอดเวลาเขาก็บเขามีอะไรเขาก็คอยเตือนใจว่าอย่ายึดอย่าติดตลอดเวลาพร้อมที่จะให้มันไปร่างกายนี้พร้อมให้มันตายได้ทุกขณะอย่างนี้เราก็ต้องสอนใจหรือทุกขณะจิตอก็นได้สิ เขารมหาสติมหาปัญญามันต้องทําอย่างพุทธเจ้าสอนให้พระอานุนพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเนะี่ยใพิจารณานิจังทุกลมหายใจเข้าออกต้องอยู่ทุกลมต้องอมีสติอยู่ทุกขณะอต้องอยู่กับเรื่องนีงเง้เร่องเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องแฟนเรื่องวิชาการเรื่องอะไรต่างๆคิดได้ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวนะั่ คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องจบเรื่องอะไรต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวมันก็ต้องจบถ้าเราไม่ยอมไม่จบเวลามันจบเราก็ทุกข์นะแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนพร้อมที่จะให้มันจบเราก็ไม่เดือดร้อนเราต้องมองข้ามฉอดไปเราต้องมองไปตอนที่หนังจบแค่นึกไปถึงตอนจบของหนังทุกอย่างจะต้องจบ แสดงว่าถ้าผู้ปฏิบัติดีจริงต้องลาได้เลยเวลาหนูเรื่องทุกข์กระทบไม่ใช่มานั่งละอีกสองอาทิตย์นั่นแหละฉะนั้นแสด ง, งว่าปัญญายังไม่ทันกิเลสเนี่ยกิเลสเร็กว่ า, าถ้าปัญญาทันนี่พอกิเลสโผล่มาปัญญาตัดมันเลยพอจะมาทุทกข์กับเรื่องนั้นตัดปุ๊บเลยพอจะมาทุกข์กับเรื่องนี้ก็ตัดปุ๊บตัดปุ๊บไปเลย อ๋อพวกทุกข์จะโผล่ขึ้นมานีิตัดได้เลยเนี่ยมันต้องเร็วขนาดนั้นแ ล, แล้วตอนตัดมันตัดด้วยสติกับปัญญาทั้งสติทั้งปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีกําลังก็ก็ตัดรู้ตัดัดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีกําลังอุเบกขาไม่มีอุเบกขาจะเกิดก็ต้องไปตั้งสมาธิก็ฝึกสติ บ, บ่อยๆให้มันจิตสงบไม่หยุดความคิดให้ได้ตัวสติก็คือหยุดความคิดหยุดความคิดได้มันก็ าความอยากมันต้องใช้ความปรุงแต่งเป็นเครื่องมือต้องคิดถึงเรื่องที่เราอยากแล้วก็คิดว่าให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพอะเราหยุดความคิดนี้หยุดความอยากนี้ด้วยสติแล้วก็ใช้ปัญญาสอนว่าการไปทำตามความอยากนี่เป็นทุกข์มันก็จะหยุดได้อย่างถาวรถ้าหยุดด้วยสติอย่างเดียวมันก็หยุดชั่วคราว เวลาพูดโทพูดโทมันก็หยุดมันพอเพอไม่ไม่พูดโธมันก็อยากใหม่แต่ถ้ารู้ว่าด้วยปัญญาว่าอยากนี่เป็นทุกข์ก็ไม่ให้มันอยากทุกครั้งที่มันอยากก็ไม่ให้มันอยากต่อไปมันก็หายอยากเ้าใจเข้าใจครับ เวลาปฏิบัติมันต้อค่อยๆมันไม่ทันทีครับคือก็ต้องเอาโจทย์ง่ายก่อนไอ้โจทย์ขั้นโสดามันนี่มันยังยากเอาของที่ง่ายกว่าปล่อยปล่อยของภายนอกก่อนของที่เรารักน้อยกว่าเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่นี่ลองลดมันไปสิ สิ่งไหนไม่จําเป็นเอาตัดมันไปตัดมันไปเอาเอาเหลือเท่าที่จําเป็นไปนั่งคนดูที่บ้านของต่างๆที่มีเนะี่ยอันนี้จําเป็นไหมต้องเก็บมันไว้หรือเปล่ายกใครเข้าไปเนี่ยเให้ทําทานเนี่ยให้ทําทานเนี่ยเอาไว้แต่ของที่จําเป็นเท่านั้นที่จาเป็นจะต้องมีจริงๆงนะไหนที่เราชอบเรารักมีพวกชอบมันก็อย่าอย่าไปมีมัน ของรักของชอบทั้งหลายที่ไม่จาเป็นจะต้องมีไม่ต้องไป ม, มีมือนเครื่องประดับต่างๆเครื่องประดับบ้านเครื่องรูปภาพรูปเขียนรูปอะไรต่างๆตัดของง่ายๆก่อนของภายนอกก่อนตัดราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นนสดก่อนแล้วค่อยมาตัดไอ้ตัวนี้มันยากตัวนี้เรารักมันห่วงมากกว่าอของภายนอกใช่ไหมเราบางชีวิตเรากับของนี่เรา พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้สละทรัพย์สละอวัยวะแล้วค่อยมาสละชีวิตเพราะความยากง่ายมันต่างกัน <c oughs> สละทรัพย์มันง่ายกว่าคล้องภายนอก <c oughs> ก็เอาไว้เท่าที่จําเป็นไงทรัพย์ไหนที่ไม่จําเป็นจะต้องเก็บไว้ก็เอาไปทําบุญทําทา น, นจะได้หมดห่วงหมดอะไรไม่ต้องมากังวลกับมัน <c oughs> เก็บไว้เท่าที่จําเป็น เก็บไว้ที่เราต้องอาศัยมันจริงๆแล้วตัวเราจะใจเราจะเบาจะโล่งขึ้นเยอะแยะไม่ต้องมากังวลกับสมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆมากมายยิ่งมีมากก็ยิ่งเป็นภาระมากต่อจิตใจใ น, ในการที่จะต้องดูแลรักษาลองตัดของภายนอกก่อน แล้วก็มาตัดของใกล้ตัวใกล้จิตใกล้ใจก็คือขันห้าตัดการมราคะเนี่ยของนี่มันยากเพราะมันฝังลึกกว่ามีความผูกพันมากกว่าของภายนอกคนที่มาบวชนี่เขาตัดไปได้ส่วนหนึ่งลนะตัดลาภยศสละเสริญตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ คนที่บวชจริงๆนี่ก็ไม่มีอะไรติดตัวมาละเป็นอธิปดีเป็นนายพลนายอะไรเขาก็ไม่เอาละไม่เกี่ยวข้องละมีเงินกเกษียณก็ยกให้ครอบครัวไปให้ลูกเมียให้ใครไปเป็นพระแล้วบวชแล้วก็มีคนสนับสนุนเรื่องปัจจัยสีไม่ต้องกังวลเมืม่อเงินทองไม่ต้องใช้เงินใช้ทองถ้าปฏิบัติจริงๆไม่ต้องใช้เงิน ที่ปฏิบัติไม่จริงมันใช้เงินบวชแล้วบวชแล้วไปเที่ยวกันเนียไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องมีเงินเงินแต่ถ้าบวชแล้วไปปฏิบัติมันก็เข้าป่าเข้าป่าเข้าเขามันก็ไม่ต้องใช้เงินถ้าเราไปอยู่วัดป่ามั้นต่างมาก้าวพันสาไม่ได้ใช้เงินสักบาทถ้าไม่อยู่ได้ออกจากวัดป่ามั้นต่างก็ไม่มีเงินติดตัวมาสักบาท มาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเงินติดตัวมาก็อยู่กับการบินธบาไปที่อยู่อาศัยก็ฟรีค่าน้ำไฟก็ฟรีน้ำไฟก็ไม่มีเลไม่ต้องเสียอยู่บนเขานี่น้ำก็น้าฝนไฟก็แสงอาทิตย์ของฟรีไม่ใช้กันชอบใช้ของของเสียเงินงิน เราต้องการธรรมะแล้วมันเนี่ของภายนอกไม่มีความสำคัญไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้เราได้ธรรมะมีแต่จะทาเป็นตัวขัดขวางมากกว่าเป็นนิวรต้องตัดความยินดีกับของภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆลาบยศสรรเสริญแล้วมายินดีกับสติตัวแรกที่ต้องบำเพ็ญก็คือสติสีลก่อนศีลตอนบวช ก, ก็ต้องถือสีลแล้ว พอถือศีลมีศีลแล้วที่นี้ก็จะมีเวลามาเจริญสติอ่ะพอศีลจะห้ามไม่ให้เราไปทํากิจกรรมต่างๆถ้ายังไม่มีศีลของนักบวชเดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงได้เดี๋ยวก็ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปงานเลี้ยงต่างๆได้พอถือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี 10, ่เจ็ดก็ไปไม่ได้แล้ะ เมื่อไปไม่ได้จะทาอะไรก็เดินยงกลมนั่งสมาธิจะเริ่สติก่อนถ้าไม่มีสติก็พุทโธพุทโธหนึ่งจิตให้หยุดคิดกันให้อยู่ในปัจจุบันให้ให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรไม่ต้องคิดให้รู้เฉยๆรู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังยืนกำลังนั่งกาลังนอนกาลังรับประทานอาหารกาลังอาบน้ากาลัง แปลงฟันกำลังหวีผมกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวให้รู้อยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาไม่มีอะไรทำก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปไม่คิดอะไรดูลมอย่างเดียวเดียมันก็ดึงเราเข้าสู่ความสงบเองเราจะใช้คําบริกรรมพุโทโธกับพุโทโธไปทั้งวันถ้าพุโทโธมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ <c oughs> มันต้องมีอะไรกํากับใจหยุดความคิดใจ ถึงนี้ว่าเป็นการปฏิบัติถ้าเดินไปเป็นชั่วโมงแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเปลื่ยก็อย่าไปเดินให้เสียเวลาไม่ได้ประโยชน์อะไรบางคนไม่รู้ว่าคิดว่าเดินนานๆแล้วจะได้ทำไม่รู้ว่าการเดินที่จะได้ทำนี้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่การควบคุมความคิดของเราด้วยพุทโธก็ได้ด้วยการเฝ้าดูการเดินของเราก็ได้เดินไปก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไป อยาให้มันไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้อยู่การเดินไปอย่างเดียวแล้วจิตมันก็จะว่างจะเย็นจะเข้าสู่เบคขาแต่ยังเข้าไม่เต็มที่อยาให้มันเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆร่างกายต้องนิ่งจิตจะได้หยุดทำงานได้อย่างเต็มที่เวลาเดินจิตยังต้องทางานอยู่ยังต้องประครับประคองสั่งร่างกายให้เดินอยู่ จิตยังต้องทำงานอยู่แต่เวลานั่งเฉยๆนี่จิตหยุดทำงานได้ปล่อยร่างกายได้เข้าสู่สมาธิได้เวลาเข้าสู่สมาธิก็คือจิตปล่อยร่างกายแยกออกจากร่างกายถอนสมองถอนรูปเสียงกลิ่นไอวิญญาณที่ส่งมาเกาะกับติดอยู่กับร่างกายเวลาเรานั่งสมาธิเรากำลังถอนไอตัวนี้ออกจากร่างกายเหมือนปิดมือถือเงี้ยปิดเครื่อง เราปิดเครื่องปั๊บเราก็ไม่ติดต่อกับใครแล้ะไม่ใครโทรเข้าโทรออกไม่ได้แนละ้ะติดต่อกับเราไม่ได้นะเรากําลังจะปิดเครื่องปิดร่างกายปิดตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับข้อมูลตา่างๆจากทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการใช้พุทธโธนุ่ยลมหายใจที่เรียกว่าสติเนี่ยเข้าดึงเข้าดึงใจเข้าข้างในไม่ให้คิดพอไม่คิดมันก็เท่ากับปิดเครื่อง ช่วงที่ปิดเครื่องมันก็มันก็ต้องมีการใช้เวลาหน่อยเวลาปิดเครื่องมันไม่ใช่กดปุ่มปั้มมันปิดทันทีใช่ไหมมันก็ยังต้องใช้อะไรของมันเวลาเราจะปิดเครื่องเราก็ใช้สติเดิมวุฒโธวุฒโธวุฒโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันไปตกหลุมตกบ่อปั้มมันก็ปิดเครื่องเครื่องหยุ่ปิดแล้วนิ่งสงบไม่คิดอะไรไม่รับรู้อะไรนี่เหือแต่สักแต่ว่ารู้ ถ้ามีตัวนี้แล้วต่อไปท่านปัญญาบอกให้สักแต่ว่ารู้ก็อย่าทําได้พอเวทนาเกิดขึ้นมาทุกเวทนาเกิดขึ้นมาว่าสักแต่ว่ารู้ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นมีทุกเวทนาเกิดไม่ต้องไปทําอะไรพอจะตายก็ให้รู้ว่ามันจะตายไม่ต้องไปทําอะไรเราไม่ได้ตายจิตเราไม่ได้ตายเราไม่ต้องไปทําอะไรทําก็ทําไม่ได้อยู่ดีมันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้ไปทําแล้วทุกไปเปล่า ไปอยากให้มันไม่เจ็บไปอยากให้มันไม่ตายก็ทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยต้องเวลาปฏิบัติจริงๆมันต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเพื่อให้ได้อุเบกขาให้ได้สมาธิเมื่อเราได้สอุเบกขาได้สมาธิแล้วเราก็เอามาใช้ประกอบกับปัญญาถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามาย์ปัญญาปัญญาที่มีอุเบกขาเป็น มีจิต ท, ที่เป็นอุเบกขาทำ ง, งานร่วมกันถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนาไมอปัญญาตอนนี้พวกเรามีแต่สุตตะคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตะปัญญาที่เราไปไข้ควรไปพิจารณาแต่พอเกิดเกิดทุกข์ขึ้นมาหยุดไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาปัญญาบอกให้ดูเฉยๆดูเฉยๆไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้คันต้องไปเกามันมันถึงจะหายคัน เวลาคันปล่อยมันคันได้ไหมอย่าไปเกามันได้ไหมไม่ต้องเจ็บแล้วมันคันก็พอในมีคนโยมเนี่มาบอกพ่อคันเนี่ยถ้าพ่อมีอุเบกขาก็ปล่อยมันคันไปเแล้วก็รู้ว่ามันคันสักแต่ว่ารู้ไปถ้ามีอุเบกขาก็ปล่อยมันได้ปล่อยให้มันคันไปได้มันก็ปล่อยเร็วขึ้นก็มีถ้ามีอุเบกขามันก็ปล่อยได้ถ้าไม่มีอุเบกขาก็ไม่ปล่อย ปล่อยไม่ได้ถึงแม้มีปัญญาบอกให้ปล่อยก็ไม่ปล่อยง mm hmm. ั้นถ้ามีอเบกขาแล้วมีปัญญาต้องมีปัญญาบอกให้ปล่อยด้วยเพราะบางทีไม่รู้ว่าว่าว่าอความยึดติดนี้มันเป็นทุกข์เลยต้องให้ปัญญาบอกว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดต้องให้ปล่อยแต่ท่านอาจารย์แล้วเวลาปล่อยเนี้ยบางทีมันก็ปล่อยก็ดีกว่าไม่ปล่อยเลยจริงไหมครับ อ้าก็ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันก็ทุกข์กันสิไม่รู้ว่ามันแทนนี้มันจะปล่อยคือมันก็ใช้ช่ายว่ามันเหมือนแล้วกินยาอะไรนะครับมันใช้เวลาว่าเอออาจะให้ปวดหัวก็อาจจะครึ่งชั่วโมงอืก็ดีกว่าดีกว่าไม่รู้วิธีเลยเขาแปลว่าถ้าผู้ปฏิบัติถ้ามันก็อาจจะเริ่มได้ผลบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ทันทีกว่า ปล่อยได้เลยอ๋อใช่มันก็ต้องทํำฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่าฝึกตามที่ท่านสอนว่าให้ใครควรดูไอ้ที่ท่านสอนนะว่าให้ดูว่าเออทุกอย่างในโลกนี้นะมันมันคือเราไปอยากให้มันสุขขังได้จังตาจริงๆแล้วมันเป็นมันอย่างนี้เราต้องใค้ควรแล้วก็เอามาสอนใจเราเป็นตัอแต่ว่านั่งสมาธิคือมันต้องค่อยๆป็นค่อยๆไปครับ สอนแล้วก็ต้องทําไม่ได้้ทํ า, าได้ไม่ได้ก็ทําได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สมาธิไงถ้ามีสมาธิก็จะทํ า, าได้ถ้ามไม่มีสมาธิก็ทํามไม่ได้แล้ที่ท่านอาจารย์สอนว่าจริงเวลาปฏิบัติเนี่ยผมฟังที่ท่านสอนว่าท่านบอกจริงๆเวลานั่งสมาธิกับปัญญาเนี่ยห้าสนะิบห้าสิบน่ะท่านเกิดพูดในในเนี้ยหมายความว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักว่า ให้จิตมันสงบเป็นเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อว่าเวลามันมีอะไรขึ้นมาเราจะได้กลับเข้าไปในตัวนี้ค้าๆมันมันผลตก่าเข้ามาในฉลานี้แล้วเดี๋ยวออกไปไปสู้กันข้างนอกแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกคื้ายให้มันให้มันมีที่พักหน่อยไอ้ที่ว่ามีกำลังเนี่ยก็เบขาไงก็พักจิตไงเฉยๆไงพอเฉยๆก็แสดงว่าเข้าไปในสมาธิแล้ว พอใครด่เราก็เฉยๆนี่แล้วก็อยู่ในสมาธิแล้วไม่ตอบโต้เฉยๆเห็นอะไรชอบก็เฉยๆไม่เอาเห็นกาแฟาอยากจะดื่มก็ไม่ดืม่มทำไมไม่ดืม่มเพราะท่านใช้ปัญญาสอนว่าดืม่มก็เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเลิกดื่มกาแฟาเลิก ดื่มทำไมดื่มกาแฟมันอร่อยอย่าตายไหมดื่มก็มีความสุขเลิกดื่มทำไมก็ต้องใช้ปัญญาสาวว่าดื่มแล้วมันติดเวลาไม่ได้ดื่มแล้วมันทุกข์ต้องเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะได้เลิกมันได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ก็เห็นอะไรก็ไม่รู้จะปล่อยทําไมเมื่อมันมีความสุข คนที่เข้าร่ารวยบอกให้เขาไปอยู่แบบพระเขาไปอยู่แบบพระทำไมใช่ไหมพระพุทธเจ้าบ้าเขาเปล่ามีเงินมีทองกลับไปอยู่แบบพระคนที่มีเงินมีทองมีกิจคนไปอยู่แบบพระบ้ า, บางไหมม่มีใช่ไหมเพราะเขาไม่มีปัญญาก็าไม่เห็นว่าเวลาเงินทองหมดันเป็นยังไง เขาคิดว่าเขาจะมีเงินทองไปเรื่อยๆก็มองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเงินทองไม่ต้องไปเป็นเสียที่มันล่มละลายตอนที่ตลาดหุ้นหรือธนาคารล้มเนี่ยเรามาขายอะไรขนมปัง แ, แซนด์วิชเึงจะรู้ว่ามันทุกข์เป็นไงเวลาเงินทองล่มสิ้นเนื้อประดาตัวล่มละลาย แต่ถ้าเรามาอยู่แบบล้มละลายได้เราก็ไม่เดือดร้อนกับความล่มละลายนเียคนที่มาบวชได้ถึงแม้ก็จะล่มละลายเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ต้องใช้เงินทองแล้วถ้าเขาบวชอยู่แบบนักบวชได้เน้น <c oughs> ต้องใช้ปัญญาให้เห็นโทษของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นคุณเพราะของทั้งนั้นมันไม่เป็นคุณมันเป็นโทษทั้งนั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นสุข เห็นด้านเดียวเห็นด้านสุขไม่เห็นด้านด้านทุกเวลามันเสื่อมไม่เห็นตอนที่มันเสื่อมไม่คิดว่ามันจะเสื่อมคิดว่าจะมันจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยอันนี้ต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นแล้วมีปัญญาแล้วก็ต้องมีสมาธิทาตามที่ปัญญาสอนคือให้ปล่อยไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอาศัยสิ่งต่างๆให้อาศัยอุเบกขาให้อยู่กับอุเบกขาอย่างเดียวพอ อุเบกานี่สุกมากอยู่แล้วแต่มันสุกชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิออกมามันก็หายไปพอเกิดความอยากมันก็หายไปแต่ถ้าหยุดความอยากได้มันก็จะกลับมานั้นต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากเพื่อเราจะได้กลับมาสู่ที่อุเบกขาอยู่ที่เฉยนี่มันมันมันสองส่วนนี้มัน มันช่วยกันอุเบกขากับปัญญาต้องไปด้วยกันมันถึงจะสามารถหยุดความอยากได้เอาแล้วนะบทช่วงแรกแล้วจะอนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตชินังเปตางนังอุปกาปติอิชิตังปัชิตังตุมหังคิปะเมวะสุนิจัตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินาศตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอาภีวาธนศีริษะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภลัวันนี้ทางเฟเข้ามาเท่ไห สองรยกสิบหายไปไหนวันนี้องดูได้ดูไม่ได้ลยยูทู <Yeah. S 2> นึ่ค่ะค่ะยูทูบเกินร้อยแล้วนะวันนี้ อ, ไอะไรเข้า YouTube แทนก็ yeah. Girl, อันนี้จังเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอ น, น <c oughs> ก็เลยทำให้คนดูทุกกันเพราะอยากให้มันแน่นอน yeah. <c oughs> แต่คนมีปัญญาก็ไม่ทุกไม่มีดูก็ไม่ตั้งดู <c oughs> yeah. ไม่ดูตรงนี้ก็ไปดูอีกที่หนึ่ง ก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีดูก็ไม่ต้องดูมันเคลียหรือยังวันนี้มันต้องมาที่ปฏิบัติเเรียนจนตายก็ก็ต้องเรียนให้รู้ให้แน่ชัดว่าต้องทําอะไรจะได้ไม่หลงทางพอรู้ต้องทําอะไรแล้วก็ทํามันไปอถึงแม้บอกว่าถ้าทาอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจว่าต้องทําอะไรต้องทอําก็ยังไม่อยากทําำ บอกให้พุทโธพุทโธถ้าไม่บอกทำไมต้องพุทโธไม่ละเอียดก็จะไม่รู้ทําไปทำไมใช่ไหมต้องมาถามจนเข้าใจว่าทําไมต้องพุทโธทําไมจะต้องเจริญสติทําไมจะต้องพิจารณาไตรลักษณ์อันนี้มันต้องรู้ว่าทําไมก่อนพอรู้แล้วมันก็จะได้เออได้ใช่ถ้าบอกให้ท ำ, ทำไปมึงทํำไปเถอะฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ มู้กเอ่บางเทีมันก็ไม่อยากจะทําทําแล้วไม่รู้มันอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้มีใครอยากจะถามอะไรไหมมีเงิจะเปิดให้ทางบ้านก็ถามนะใครฟังแล้วเบื่ออยากจะกลับก็กลับได้นะไม่ได้ห้ามออ่ถามมาคำ ถ, ถามจากคุณหมูค่ะ วันนี้ผมเจอเงินตกหน้าร้านสองร้อยสี่สิบาทผมเลยเก็บไว้ก่อนควรทำยังไงดีครับเอาไปแจ้งที่สถานีตำรวจมันจะน้อยไปหรือว่าบริจาคครับดีแบพระอาจารย์เพื่อไม่ให้บาปครับเมื่อบาปก็เอากลับไปวางไว้ที่เดิมเลยไม่ใช่เรื่องของเราไปเป็นเรื่องของคนอื่นเข้าไปไปยุ่งกับมันทำไมเนี่ยบอกให้อุเบกขาให้เฉยให้รู้เฉย เงินไม่ใช่ของเราเมื่อไม่มีเจ้าของไปขออนุญาตหยิบไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับเขาคำถามจากคุณพิขขวัญค่ะดิฉันได้ถือสิงแปดเดินจงกรมนั่งสมาธิมาระยะหนึ่งปรากฏว่าวันหนึ่งดิฉันเดินจงกรมตอนกลางวันอยู่ในพอสมควรพอตอนกลางคืนตอนนอนก็ท่องพุโทโธไปด้วยตอนกำลังจะหลับรู้สึกเหมือนมีแสงดวงเล็กๆพุ่งออกไปจากเรา แวบเดียวก็หายไปแต่ลราจกหายใจแรงขึ้นคือยังฟุตโทรอยู่แล้วก็ตื่นแล้วก็หายง่วงเลยค่ะอยากถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรคะก็เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแะได้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันรู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปนี่มันผ่านกันต้องหลายวันแล้วเรายังเอามาแบกอยู่นะ ปล่อยมันไปเราก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันของเราต่อไปให้มีสติอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันผ่านไปแล้วถ้าเราไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปรู้มันรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นแสงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเมื่อรู้ว่ามันไม่มีปัญหากับเราเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าเราไปยุ่งกับมันมันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาโดยใช่เหตุ คือให้รู้อะไรก็ให้รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางไปนี่คือการรู้ด้วยปัญญาเหมือนกับคนเขาดา่าเราก็รู้ว่าเขาดา่าเราด่าแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยไปใครเ็าชมเราก็รู้ว่าเขาชมเราชมเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปแต่บางทีงมานั่งคิดกันเป็นวันเป็นคืนชมก็คิดอยู่นั่นเหมก็ชมเราอย่างโู้นอย่างนี้ด่าเราก็คิดอยู่นั่นเหมือน ให้ทุกอย่างมันมันผ่านไปแล้วเราไปดึงมันกลับมาเองเพราะเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันเราไม่มีสตินึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าทุกอย่างมาไปมาไปมาไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเราพูดปั๊บมันหายไปแล้วใช่ไหมเสียงที่เราพู่นี้หายไปแล้วแล้วก็มีเสียงใหม่มาแทนที่เสียงนกร้องเนี่ยมันร้องเนี่ยมันเสียงที่มันร้องมันหมดไปแล้วแล้วเสียงใหม่มันก็มามาถ้าเรานั่งเฉยๆเดี่ยวมันก็ผ่านไปหมดทุกอย่างมันผ่านไปหมดเหตุการณ์ต่างๆผ่านไปหมด แใจเราไม่เฉยใช้เราชอบเกาะ <c oughs> เกาะกับสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบก็เกาะใครก็ด่าเราก็เกาะติดคิดอยู่นั่นใครก็ชมเราก็เกาะเหมือนกันมันก็เลยทาให้เราสายไปสายมาเซไปเซมาไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีแรงในตัวเองดีใจเสียใจไปกับสิ่งที่มากระทบกับเราแต่ถ้าเรามีสติ จิตตั้งมั่นมีอุเบกขาก็ไม่ไม่เซไปเซมาจิตของเราสุขสงบของเราตลอดเวลาอะไรมาก็ผ่านไปอะไรมาก็ผ่านไปฉนั้นพยายามฝึกสติให้มากๆแล้วต่อไปมันจะมันจะอยู่เฉยๆมันจะไม่ไหลาตามสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้คำถามทางยูทูบจากคุณซิเทิร์นค่ะเชือนะ่เอเนี่ยซิเทิร์น แล้วก<ส>่อนยังไง S, s E A เ t l e s a t ันี L s a t t l เป็นคนไทยแล้วเป็นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายความว่าผู้ที่ละกิเลสได้หมดแล้วใช่ไหมคะก็ใช่ถ้าถ้าตื่นเบิกบานอ่ามันผู้รู้นี่มันเป็นผู้รู้มีสองชนิดผู้รู้ที่ยังมีกิเลสกับผู้รู้ที่ยังไม่มีกิเลส ผู้รู้ที่ไม่มีกิเลสก็พระพุทธเจ้าพระอารหันต์ผู้รู้ที่ยังมีกิเลสก็พวกเราเนี่ยแต่เราไม่ค่อยเจอเราก็ไม่ค่อยอยู่กับผู้รู้เท่าไหร่เรามักจะไปอยู่กับผู้คิดวิธีอยากเข้าหาผู้รู้ก็ต้องนั่งสมาธิหยุดผู้คิดพอ AF ผู้คิดหยุดเราก็จะเข้าถึงผู้รู้แล้วเราจะรู้ว่าอยู่กับผู้รู้นี่สบายกว่าอยู่ผู้คิดอยู่ผู้รู้แล้วสบายอะไรมาก็รู้ ร่วมาแล้วก็ไปรั่วมาแล้วก็ไปถ้าอยู่กับผู้คิดเดี๋ยวมันก็คิดตามสิ่งที่มาให้รับรู้ใช่ไหมคิดแล้วก็สงสัยคิดแล้วก็อยากรู้อยากเห็นอยากอะไรอยากจะแก้อยากจะทำนู่นทำนี่ก็วุ่นวายไปหมดอย่าไปอยู่กับผู้คิดหัดมาอยู่กับผู้รู้ดีกว่าโดยการฝึกสติหยุดผู้คิดไม่ให้คิดพอไม่คิดแล้วเราก็จะเข้าถึงผู้รู้ได้ผู้รู้อยู่ข้างหลังผู้คิดผู้ง่าย พอเราหยุดผู้คิดเราก็จะถึงผู้รู้เหมือนจอทีวีมันอยู่อยู่ข้างหลังภาพทีวีใช่ไหมพอเราปิดปิดเครื่องภาพทีวีก็หายไปก็จะเหลือแต่จอทีวีผู้รู้ก็เหมือนจอทีวีผู้คิดก็เหมือนภาพที่ปรากฏบนบนบนจอใจเนะี่ยบนจอบนจอผู้รู้อีกทีผู้รู้ก็เลยต้องไม่รู้กับผู้คิดผู้คิดคิดไม่ดีก็ทุกข์กับผู้คิดไป ถ้าอยู่ผู้คิดได้ก็สบายหรือถ้าอยู่กับผู้คิดก็ต้องอยู่กับผู้คิดที่คิดเป็นคิดคิดอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดปล่อยวางก็อยู่กับผู้คิดแบบนี้ก็ปลอดภัยไม่ทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าก็เวลาคิดก็คิดแบบนี้คิดแต่อริจจังทุกขังอนัตตาคิดแต่ปล่อยวางไม่ไม่คิดยึดติดไม่คิดไม่คิดด้วยความอยากไม่มีความอยาก คิดอะไรก็ไม่ได้คิดเพื่อเพื่อความอยากคิดเพื่อความไม่อยากคิดเพื่อความปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าหยุดคิดได้สบายที่สุดเนิพพานที่ไม่มีความคิดเนี่ยดีที่สุดตอนที่พระเจ้าอดับขันแล้วนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรละไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดหมดแล้วเหรอ ชื่อ T e t e r n ค่ะเม่อกี้ ค, ค่ะเอา T e t e r n a นี่เข้ามา B E A ด้วย S E A <S <ช> <S T L E คำถามจากคุณสบายใจดีค่ะสติสนับสนุนสมาธิสมาธิส่งเสริมปัญญาใช่ไหมเจ้าคะอ่ใช่ต้องมีสติถึงจะได้สมาธิไม่มีสมาธิเราก็จะได้สนับสนุนปัญญาให้เป็นภาวนาไมายปัญญาเพื่อจะได้หยุด กิเลสได้ค่ากิเลสได้ค่าความอยากได้ถ้าปัญญาที่ไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังไม่มีอุเบกขาอย่พวกเราตอนนี้มีปัญญาที่ไม่มีสมาธิกันเรารู้ว่าทุกอย่างอันนี้จังทุกขังวนัตาแต่ยังปล่อยไม่ได้รับสมบัติข้าวของเงินทองลาบยศสรรเสริญนี่ยังปล่อยไม่ได้กันเพราะไม่มีอุเบกขาอยู่แบบไม่มีไม่ได้แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วจะอยู่แบบไม่มีได้ ผู้เบคาอัานี่มันมีความสุขในตัวของมันดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญฉะนั้นต้องสร้างผู้เบขาขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วเราจึงจะใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยทุกอย่างได้คำถามจากคุณนาราสาเหตุใดคนเราชอบทะเลาะกันครับก็มีความเห็นต่างกันก็ทะเลาะกันได้คนหนึ่งว่าเห็นว่าอย่างนี้ดีคนนึงเห็นว่าไม่ดีมันก็ทะเลาะกัน ความเห็นต่างกันความอยากต่างกันก็ทะเลาะกัน้วยความอยากตรงกันก็ทะเลาะกันได้อยากได้ของมันเดียวกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนั้นก็อยู่ที่ความเห็นกับความอยากเนี่ยที่เป็นตัวปัญหาข้อที่สองวิญญาณคือธาตุอะไรครับ อ, อ๋อวิญญาณวิญญาณนี่มันมีสองความหมายวิญญาณในขันห้าก็เป็นวิญญาณที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรส แล้ววิญญาณในความหมายนี้ก็คือตัวจิตนี่บางทีเราก็เรียกว่าวิญญาณถ้าเป็นตัวจิตก็เป็นธาตรู้ไปตัววิญญาณก็เป็นธาตรู้เป็นหนึ่งในหกธาตุธาตรู้ธาตุดินธาต้น้ำธาตลมธาตไฟและเอาอากาศจะธาตุนี่เป็นธาตุที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นมาในจักรในในในภพทั้งหลายเนี่ยต้องมีธาตุทั้งหกนี่ กามมันมาในรูปแบบไหนเวลาต้องตัดใช้เวลานานไหมใช้วิธีอะไรครับการแปลว่ากามาคุณหา้าคือรูปเสียงกลิ่นลดพอเราเห็นรูปเราชอบก็เกิดกามเกิดการ ม, มาตัณหาขึ้นมาจะตัดได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามีสติมีปัญญามีสมาธิหรือไม่ปัญญากเ็เห็นว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดไปเสพแล้วมันติดแล้วพอไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์ ทีจะตัดได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเรามีกาลังสู้มันหรือไม่เช่นติดกาแฟงเงี้ยกาแฟนี่ก็เป็นกามอย่างนี้กามะขุนมีทั้งรูปใช่รูปของกาแฟกลิ่นของกาแฟสีกาแฟน้ากาแฟนี่ต้องมีสีนั้นสีนี้มีกลิ่นอย่างนั้นกลิ่นอย่างนี้มีรสอย่างนั้นรสอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกามคขุณหสัมผัสผดทพะก็คือความร้อนเย็นของกาแฟใช่ สัมผัสกับร่างกายเดินเข้าไปแล้วเย็นซาหรือเดินเข้าไปแล้วอุน่นเวลาหนาวดื่มกาแฟร้อนๆแล้วรู้สึกว่ามันสบายอันนี้เรียกว่ากามงคลห้าเกิดได้ตลอดเวลาเวลาเราไปนึกถึงมันไปเห็นมันเข้าก็เกิดแล้วเกิดความอยากขึ้นมาพออยากแล้วพอไม่ได้ดื่มก็ทุกข์ขึ้นมาหงุดหงิดลำคาญใจพอได้ดื่มก็หายทุกข์ไปชั่วคราว แล้วเดี๋ยวก็อยากขึ้นมาใหม่เพราะมันจะไม่หมดความอยากจะไม่หมดจากการทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากเป็นการต่อความอยากเป็นการเพิ่มความอยากถ้าต้องการลดความอยากหยุดความอยากก็ต้องไม่ทําตามความอยากอยากดื่มกาแฟก็บอกไม่ดื่มดื่มก็ต้องเป็นทาตไปเรื่อยๆฝืนมันไปเรื่อยๆไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หายอยากเองคําถามจากคุณสุครัช ขอโอกาสพระอาจารย์โปรดชี้แนะแนวทางการพิจารณาขันทังห้าไม่มีเรายังพิจารณาไม่ออกเลยเจ้าค่ะก็เนี่ยกเมื่อกี้ก็สอนแล้วไงร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาใช่ไหมตุ๊กตาร่างกายมันอยู่ในท้องแม่เฉยใช่ไหมพ่อแม่ผสมพันธุ์กันแล้วก็ก็ปรากฏมีร่างกายค่อยๆเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งดีไนะ พอคลอดออกมาก็จเจริญเติบโตเราเป็นเพียงแต่ผู้ไปครอบคลองมันด้วยการเอาวิญญาณทั้งห้าที่มีอยู่ในใจเรานี้ไปติดไว้ผูกไว้กับมันไปเชื่อมต่อกันไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายมารู้ว่านี่คือร่างกายไม่ใช่ตัวเราเดียวเวลามันตายมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเวลาเผาแล้วเหลืออะไรก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูก มันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำก็ถูกไฟเผาไปหมดเวลาไฟเผานี่น้ำที่อยู่ในร่างกายก็ถูกเผาหมดธาตุไฟก็หายออกไปหมดธาตุลมก็ไปแยกกันไปก็เหลือแต่ธาตุดินต้องดูการมาการไปของร่างกายถึงจะเห็นชัดว่ามันเป็นการมาของดินน้ำลมไฟเวลาจเจริญเติบโตมันเติบโ ต, ตด้วยอะไรก็ ข้าวก็เป็นดินไม่ใช่หรอข้าวมาจากดินผักมาจากดินเนื้อหนังต่างๆมันก็มาจากผักมาจากข้าวอีกทีน้ําก็ที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปพอเข้าไปร่างกายมันก็ไปทําเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกขึ้นมาพอตายไปไออาการสามสิบสองก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นน้ําไป ส่วนที่เป็นน้ำก็ออกไปน้ำเลือดน้ำหนองน้ำอะไรก็ไหลออกไปส่วนที่เป็นดินก็ก็ค้างอยู่ผมหนังเหี่ยวแห้งกรอบผุพังกลายเป็นกลายเป็นดินไปแล้วถ้าเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปต้องให้ดูการมาและการไปของร่างกายถึงจะเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำนมใสเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ทำด้วยดินน้ำนมใสเราเป็นผู้มาเล่นกับตุ๊กตาตัวนี้ เราได้รับของขวัญจากพ่อแม่พ่อแม่ให้ร่างกายนี้มาให้กับเรามาเล่นกับมันเราก็เลยเล่นกับร่างกายนี้ให้มันพาเราไปเที่ยวพาเราไปกินไปดื่มไปอะไรกันเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะเราไม่เห็นตัวเราเพราะตัวเราไม่มีรูปร่างตัวเราเป็นแต่ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดไม่มีรูปร่างแล้วเราก็ไม่สามารถมองเห็นผู้รู้ผู้คิด แล้วก็ไปหลงคิดว่าผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่ในร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปนักพรัชญาศาสตร์นี่เขาคิดว่าผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นร่างกายเป็นส่วนมอยู่ในสมองแต่ไม่ใช่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วถึงจะรู้นั่งสมาธิแล้วถึงจะรู้เวลาผู้รู้ผู้คิดแยกออกจากร่างกายนี่ยมันแยกออกจากกันได้เวลานั่งสมาธิร่างกายก็ถูกปล่อยไปแยกออกไป ดึงใจเข้าข้างในดึงกระแสจิตเข้าข้างในกระแสวิญญาณทั้งห้าเข้าข้างในตัดการเชื่อมต่อกันก็รู้ว่าร่างกายกับจิตเป็นคนเนละส่วนกันต้องปฏิบัติถึงจะเห็นชัดว่ามีสองส่วนในในตัวเราผู้รู้ผู้คิดนี้ส่วนหนึ่งผู้รับคำสั่งจากผู้รู้ผู้คิดนี้อีกส่วนหนึ่งคือร่างกาย คุณสบายใจดีค่ะการพิจารณาด้วยปัญญาใช่อย่างเดียวกับธรรมวิจยะในโพชงหรือเปล่าคะเอออย่างเดียวกันธรรมวิจัยก็วิจัยก็พิจารณาวิเคราะห์คำถามจากคุณยุพาคนที่หนีปัญหาไปบวชแล้วจะสำนึกผิดได้ไหมคะคนไปบวชนี่ไม่ได้ห น, นีปัญหาไปหาปัญหาปัญหามันอยู่ที่ใจเรา ต้องการจะไปแก้ปัญหาถึงไปบวชกันคนที่อยู่ในโลกนี้เป็นคนหนีปัญหาไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหามีแต่หนีปัญหาโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าตัวเองแก้ปัญหาต่อสู้กับปัญหาความจริงปัญหามันอยู่ที่ความอยากแต่เราไปแก้ที่อื่นหนีปัญหาไม่ยอมแก้ที่ที่ต้นเหตุของปัญหาคือความอยากไปแค่ไปแก้ที่ปลายเหตุเงินหมดก็ไปหาเงินมาใหม่ ไม่ไปแก้ที่ความอยากมีเงินถ้าแก้ที่ความอยากมีเงินได้เงินหมดก็หมดไปเมื่อไม่อยากมีเงินแล้วก็ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้ขอให้เข้าใจว่าคนไปบวชนี่ไม่ได้ไปหนีปัญหากำลังจะไปแก้ปัญหาคนที่ไม่บวชนี่กำลังหนีปัญหาไม่ยอมแก้ปัญหากันแก้ก็แก้ผิดจุดแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุต้องแก้ที่ต้นเหตุคือความอยาก อยากดื่มกาแฟาก็ต้องไม่ดื่มกาแฟาไม่ใช่ไปหากาแฟามาดื่มนั่นนั้นแก้ที่ปลายเหตุเพราะว่าพอได้ดื่มกาแฟาความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องก็ต้องหากาแฟมาอยู่เรื่อยๆถ้ามาแก้ที่ต้นเหตุไม่พออยากดื่มกาแฟาก็ไม่ดื่มฝืนมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวความอยากก็หมดไปพอหมดไปแล้วก็ไม่ต้องไปหากาแฟามาดื่มให้เหนื่อยอีกต่อไป ถามจากคุณเมเวลาลูกนั่งสมาธิเสร็จแล้วนอนหลับชอบฝันเห็นแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วบ่อยมากลูกควรจะทําอย่างไรดีเพราะลูกอยู่เมืองนอกเมืองที่ลูกอยู่ไม่มีวัดไม่รู้จะไปตักบาตรทาสังฆทานที่ไหนเลยได้คิดทิกใจจะมีทางไหนที่จะทําบุญให้แม่ที่ร่วงรับไปแล้วได้บ้างคะทําที่ไหนก็ได้ให้ขอทานก็ได้ให้สภากาชาติก็ได้สามคนให้ใครก็ได้คน ขนยากจนข้างบ้านใครก็ได้เขาให้เราเสียสละแบ่งปันไปแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ไปได้เหมือนกันบุญเกิดจากการให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้ทําทานพอเราทําทานแล้วเราก็จะมีความสุขใจเราสุขใจแล้วก็ที่เราอุทิศก็คือความสุขใจนี้ไปให้แก่ผู้ที่เขายังทุกข์ใจอยู่แบ่งความสุขให้แก่ดวงวิญญาณพอดวงวิญญาณเขาได้รับความสุขความทุกข์ก็เบาบางลงไป ถามจากคุณวันนิภากูเบขากับกูเบขาสัมพุธชงต่างกันอย่างไรคะไม่ต่างกันมากการเดียวกันแ่ละคถามจากคุณน้อยมีความรู้สึกเฉ ย, เฉยในภายในแต่ก็ยังดีใจชอบสวยงามอยู่แต่ก็เฉยได้อยู่คือมันมีความรับรู้อยู่แต่เฉยเฉยในใจลึกๆไม่เข้าใจคะ่ะก็เฉยจริงหรือเปล่าล่ะ ถ้าเฉยจริงก็ดีถ้าเฉยไม่จริงก็ไม่ดีคำถามจากคุณสิริผู้รู้กับสติใช่อย่างเดียวกันไหมคะหรือคนละอย่างคนละอย่างผู้สติคือการดึงให้ผู้รู้ให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับไม่ให้ไปรู้อยู่กับความคิดสติเป็นตัวดึงดึงดึงจิตออกจากความคิดไปสู่ผู้รู้คือให้หยุดคิด พอหยุดคิดแล้วก็จะเจอผู้รู้อีกทีหนึง่งนั้นสติคือเบรกที่จะหยุดความคิดต่างๆคำถามจากคุณนพลค่ะนักปฏิบัติหลายท่านบอกว่าถ้าจะดับความโกรธจะต้องให้เห็นอารมณ์โกรธท่านจะต้องให้เห็นอารมณ์โกรธทีนี้เมื่อเห็นอารมณ์โกรธมันก็รู้แต่ว่าโกรธมันไม่ดับครับเพราะสักแต่ว่ารู้ มันโกรธอารมณ์โกรธมันก็มีอยู่อย่างนั้นไม่ไม่เห็นจะหายเลยแย้งแยากอึดอัดใจอยู่นั่นทําอย่างไรจึงจะดับโกรธได้ทันทีครับก็ต้องพุดไปดับสาเหตุของความโกรธความสาเหตุของความโกรธก็คือความโลภความอยากอยากได้สิ่งนั้นพอไม่ได้มันก็โกรธพอเราเปลี่ยนใจว่าไม่เอาก็ได้วะพอไม่เอาปั้มมันก็หายโกรธงั้นความอยากความโลภนี้เป็นต้นเหตุของความ โกรธ ถ, ถ้าเราไม่มีความอยากไม่มีความโลภเราจะไม่โกรธใครคำถามจากคุณเลนนี่เวลานั่งสมาธิจะชอบบริกรรมพุทโธพุทโธแต่มักจะสังเกตเห็นว่าพุทโธกับลมหายใจมักจะไปไปด้วยกันไม่ได้พร้อมกันพุทโธจะไปก่อนลมหายใจเข้าออกเสมอเพราะเวลาให้พุทโธไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกมันจะช้าและเหนื่อยเจ้าค่ะไม่ทราบว่าจะต้องทายังไงเจ้าคัส ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรคะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาลมอย่างเดียวก็ได้เอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนอกจากว่าถ้าเราได้ประโยชน์จากการใช้พุทโธกับลมก็ใช้ไปถ้ามันไม่เป็นประโยชน์เราก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแทนเอาพุทโธอย่างเดียวถ้าเราถนัดพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวถ้าเราถนัดดูลมเราก็ดูลมอย่างเดียวคาถามจากคุณฮาเหน่ง วันพักตอนเช้าไปใส่บาตรแล้วก็ไปทํางานแล้วไปอธิษฐานสิ่งอุโบสถที่ทํางานอันนี้จะถึงว่าเราเข้าถึงสิ่งอุโบสถได้ไหมครับศิลอุโบสถการเข้าถึงก็คือการรักษาไม่ได้อยู่ที่การอธิษฐานอยู่ที่การรักษาแล้วไม่รักษาอธิษฐานแล้วไม่รักษาก็ไม่ถึงอยู่ดีอธิษฐานเสร็จก็โกหกเลย <c oughs> กินข้าวกินข้าวหลังเที่วันไปแล้วอย่างนี้มันก็ มันก็อย่าไปอธิษฐานให้เสียเวลาคําว่าอธิษฐานแป ว, ว่าการตั้งใจหรือการกําหนดเป้าหมายของการกระทําของเราว่าวันนี้เราจะถือศีลแปดนะเราจะได้รู้ไงว่าวันนี้เรามีภาระอะไรถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้เดี๋ยวแล้วก็ลืมไปะถึงเวลาหลังเที่ยงเพื่อนชวนไปกินข้าวก็ไปกับเขาไงก็เลยไม่ได้รักษาแต่ถ้าเราตั้งใจไว้ก่อนว่าให้วันนี้จะถือศีลแปดนะเที่ยงหลังเที่ยงจะไม่กินข้าวนะะ พอเพื่อนมาชวนให้ไปกินข้าวให้ไปไม่ได้แล้วเว้ยวันนี้ถือศีลแปดเนอันนี้คือประโยชน์ของการตั้งอธิษฐานไว้คือเราจะได้มีกรอบของการกระทําแต่ถ้าตั้งแล้วไม่ไม่รักษามันก็อย่าไปตั้งให้เสียเวลาพอเพื่อนมาโทรมาชวนไปกินข้าวก็ไปกันเลยเดี๋ยวเย็นก็มปกินเหล้าต่ออะกินกันต่ออีกอย่างนี้ก็อย่าไปตั้งอธิษฐานให้เสียเวลาแต่ถ้าถ้าแ ต, แต่ถ้ารักษาได้โดยที่ไม่ต้องตั้งก็ ก็ไม่ไม่ต้องตั้งก็ได้เพียงแต่ว่าวันนี้จะไม่กินเหล้าแล่ะ ว, วันนี้จะไม่กินข้าวเที่ยงมันก็รักษาไปอยู่ที่การรักษาหรือไม่รักษาคำถามจากคุณนัทยานั่งสมาธิกางวันหรือตอนกลางคืนถึงจะได้สมาธิจิตรวมมากกว่ากันครับก็แล้วแต่เราแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนรวมได้กลางวันบางคนรวมได้กลางคืนส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่เวล า, าหรอกส่วนใหญ่มันอยู่ที่สติมากกว่า และเหตุการณ์ที่รวมเล้าแล้วว่ามีมากมีน้อยถ้ามีการเหตุการณ์รุมเล่ามากนี่รวมยากคนที่อยากจะมีสติยึ่งต้องไปอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีเหตุการณ์มาคอยกดดันจิตใจเวลารวมมันก็จะง่ายแต่จะรวมไม่รวมก็อยู่ที่สติอีกถ้าไม่มีสติไปอยู่ในป่าในเขามันก็ไม่รวมอยู่ดี นั่นมันต้องมีทั้งสติและมีเหตุการณ์ที่ไม่มารุมแล้วจิตใจมันช่วยท่านดังบอกให้ไปปีกวิเวกไงคนภาวนานี้จะได้ผลสําเร็จคือต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่คุกคลีกันไม่จับกลุ่มคุยกันทํากิจกรรมอะไรร่วมกันให้อยู่คนเดียวนอกจากกิจกรรมจําเป็นเช่นกินข้าวปัดกวาดอะไรทํานองนี้นอกจากนั้นแล้วก็ควรที่จะไปอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่ตลอดเวลา แ้ววาว่างก็ต้องนั่งนั่งสมาธิแบบนี้ถึงจิตจะรวมได้หมดแล้วแหละคำถามจากคุณลาวันค่ะผู้ตื่นหมายความว่าผู้มีปัญญาใช่ไหมคะผู้ตื่นก็คือผู้ไม่หลับใช่จหมตามหมายในทางศาสนาผู้ตื่นก็คือผู้มีสติผู้หลับก็คือผู้ไม่มีสติ ใจลอยไปกับความคิดเนี่ยก็เหมือนกับฝันเน่ยเวลาเราอยู่กับความคิดนี่เหมือนกับเราฝันบางทีเราฝันนูน่นฝันนี่โดยที่ฝันกลางวันเน่ยบางทีนั่งอยู่คนเดียวคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใครมาทักก็ไม่ได้ยินก็ถางให้ทำอะไรอยู่วะกําลังนั่งฝันเนี่ยก็แสดงว่าหลับผู้หลับผู้ตื่นจะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากําลังคิดอะไรหรือไม่คิดอะไรแล้วควรจะคิดไม่คิด ถ้ารู้ว่าคิดถูกคิดผิดเนี่ยทีนี้เรียกว่าปัญญาแต่ถ้ารู้เฉยๆนี่เรียกว่าสติคำ ถ, ถามจากคุณนายการเจริญสติถ้าหนูใช้พุทโธสลับกันการดูกายเช่นอาบน้ําอยู่นะพุทโธพุทโธสลับกับเย็นหนอเย็นหนอได้ไหมคะหรือกินข้าวก็พุทโธสลับกับเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอได้ไหมคะได้ได้ขอให้เราอย่าไปคิดเรื่องอื่นก็นแล้วกัน คำถามจากคุณทักษิณาที่ของหนูดื่มสุราทุกวันใครขอก็ให้หยุดก็ดื่มไม่ยอมฟังพอมองแล้วใครพูดอะไรไม่ถูกใจและทะเลาะกับคนในครอบครัวที่บอกว่าตายก็ช่างแม่ช่างมันตายก็ไม่สบายตายก็สบายไม่รับรู้อะไรแล้วจะพูดยังไงให้เขาคิดได้คะ อ, อไม่ต้องพูดอะดีิเร <c oughs> าก็คิดไดค้คิดได้ไปนานแล้วล่ะเราก็พูดมาจนพอแล้ว งันก็ปล่อยให้เข า, เามีดวงตายเห็นทาเองดีกว่าคือคนบางคนนี่บางทีจะต่อต้านกับคำสั่งคำสอนของผู้อื่นแต่จะไม่ต้านไม่ต้านความความรู้ของตนเองวันใดวันหนึ่งเกิดเห็นโทษของการดื่มสุราขึ้นมาเขาก็จะเลิกดื่มเองงั้นบางทีก็เรียกว่ายิ่งห้ามยิ่งยุยิ่งไปห้ามเขาค่อยเหมือนยิ่งไปยุเขาใหญ่ อย่าไปห้ามเนาดีกว่าปล่อยเขาทำไปตามเรื่องของเขาเมื่อเราก็เห็นว่าเราไม่ไปแยแสกับเขาแล้วเ็าอาจจะอาจจะหยุดก็ได้คำถามจากคุณโยผีสามารถฆ่าคนได้ไหมครับไม่ได้หรอกผีมันไม่มีนีดไม่มีอะไรคำถามจากคุณนพลเข้าใจว่าความรู้สึกเจ้าคิดเจ้าแค้นหมั่นไส้ อยากจะสอนมวยทําให้ดับความโกรธยากตรงนี้จะจัดการอย่างไรครับความโกรธก็เกิดจากความอยากนี่แหละก็ลดความอยากลงสิลดในความอยากที่ทําให้เราโกรธกอดกับเรื่องไหนก็ลดความอยากในเรื่องนั้นลงไปมันก็หายโกรธเองคำ ถ, ถามจากคุณสมสุกคนที่มีนี่สิ่งเยอะล้นตัวจะมีหลักธรรมคิดอย่างไรคะ <laughs> ก็เป็นทุกข์ก็สิถ้าอยากจะไม่มีทุกข์ก็รีบปลดเบื้องนี้สินซะให้หมดเราก็จะไม่มีทุกข์ตามมาการมีนี่นี่เป็นทุกข์คำถามจากคุณเซย่าการภาวนาโดยพิจารณาว่าครูอาจารย์หรือพาอาาระอรหันต์ร่างกายท่านก็เป็นสิ่งสมมติไม่ยึดมั่นในท่านและไม่ยึดสิ่งใดเราก็จะเป็นการล่วงเกินท่านหรือไม่ เมื่อถอนการภาวนาต้องขออุสิกรรมท่านหรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่หรอกร่างกายของท่านก็เป็นดินน้ําลมไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรไปยึดติดกับร่างกายของท่านอยู่แล้วแต่ก็ควรเคารพในความเป็นอาจารย์ของท่าน อ, อไม่มีท่านเราก็ยังโง่ยอยูออ่มีท่านแล้วมันก็ทําให้เราฉลาดทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ที่เรากราบไหว้นั้นเราไม่ได้กราบไหว้ที่ร่างกายของท่านเรากราบไหว้ที่คุณคุณงามความดีของท่าน คุณธนรงค์การไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องภาวนาไม่ต้องเห็นกิดในอริยสัจได้หรือไม่ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องก็ต้องปฏิบัติถึงจะปล่อยได้คำ ถ, ถ, ถ, ถามจากคุณปัทมาพรเราจะรู้เฉยๆได้เราต้องหมั่นเจริญสติและนั่งสมาธิมากๆใช่ไหมคะใช่ แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจด้วยว่าทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันคำถามจากคุณยานิฐาที่บ้านเป็นตึกแถวแล้วมีต้นโพเขื่อนที่เสาข้างบ้านเลยต้องดึงออกโยมจะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปเนาะไม่บาปต้นโพไม่มีชีวิตมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณไม่ได้ฆ่าสา์สตัดชีวิตหมดนั่นแหละนี่